ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจ ใ, ในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดใีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาความรู้ทางธรรมะ เพื่อประกอบกับหน้าที่ในการงานในชีวิตของตนให้มีความก้าวหน้า ย, ยิ่งขึ้นไปซึ่งนับว่ามีเหตุผลแลเป็นประโยชน์ที่สุดจึงขออนุโมทนา ที่นี้เรื่องที่เราจะต้องมาพูดกันในเวลาอย่างนี้ก็เพราะเหตุผลบางอย่างเหตุผลส่วนตัวตมาก็มีคือว่าเวลาอย่างนี้มันค่อนข้างจะมีเรี่ยวแรงสําหรับจะพูด <c oughs> แต่ว่าโดยธรรมชาติทั่วไปเวลาอย่างนี้ เหมาะสำหรับที่จะศึกษาธรรมะอย่างวันนอนมาเพียงพอแล้วตื่นขึ้นมันก็มีความสดชื่นมีความพร้อมที่จะฟังที่จะคิดหรือที่จะรับมันมีความสงบเพียงพอ มันไม่ตื่นเต้นมันไม่วุ่นวายเรียกว่าไอ้สิ่งรบกวนภายในในทางจิตใจนั่นมันก็มีน้อยจริงเหมาะที่จะทำการศึกษาท่านทั้งหลายก็คงจะเคยได้ยินมาแล้วว่า พระพุทธเจ้าจัดสูุเวลาอย่างนี้เราจึงถือโอกาสใช้เวลาอย่างนี้ให้เป็นประโยชน์ขอให้สนใจให้สำเร็จประโยชน์่พวกที่ยังเห็นแก่นอนหรือความสุขจากการนอนเขาก็ไม่เคยชอบ แที่จริงเป็นเวลาที่ควรจะะช้ยให้เป็นประโยชน์ในกรณีที่เป็นพิเศษจึงมาพูดกันในเวลาอย่างนี้ที่นี้เรื่องที่จะพูดตามหัวข้อที่กำหนดไว้ว่าเรื่องเกี่ยวกับ คุณค่าของชีวิตนี่ก็เป็นหัวข้อที่ดีมีเหตุผ <c> ล <oughs> จึงควรทำความเข้าใจในเรื่องหัวข้อ <c oughs> มีอกันก่อนคุณค่าแห่งชีวิต ดูตามตัวหนังสือสะพอจะเข้าใจได้ว่ามันหมายถึงอะไรแค่กว้างลึกตื้นอย่างไรเนี่ยขอให้สนใจให้ดีๆคำว่าคุณมันก็หมายถึงประโยชน์ที่มันมีอยู่ในตัว สิ่งนั้นนันหรือการกระทานั้นนั้นคำว่าค่าก็คือหมายถึงราคาจะมีมากหรือมีน้อยตามที่มันจะมีคุณมากหรือมีน้อยมีคุณมากมันก็มีค่ามากตามที่ถูกตามที่ควรมันก็เป็นอย่างนั้นแต่มันก็ไม่พ้นจากความโง่ของมนุษย์ ที่ไปเห่หรือบ้าบอนี่ยมเนสิ่งที่ไม่ค่อยมีคุณอะไรเพราะว่ามีค่ามากไปเสียก็มี <c oughs> จะยกตัวอย่างง่า ย, ายๆเช่นว่าเพชรอย่างนี้มันใช้ทำอะไรไม่ได้ไ <c oughs> ม่ทงประโยชน์โดยตรงอย่างที่ไก่มันว่าสู้ข้าวสารเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้ แต่มนุษย์ก็บ้าพอที่จะตีราคาให้มันตั้งแสนตั้งล้านแล้วก็กับเพช เ, เม็ดหนึ่งคุณกับค่ามันเป็นไปตามที่มันถูกต้องก็มีแต่ว่าเป็นไปในทางที่โง่ล้บ้าบออะไรมากมากก็มีแล้วก็ขอให้ระวังกันให้ดีอย่าให้มันไปล้กันมากนักมันจะเสียเวลา แล้วก็มาถึงคําว่าอคุณสมบัติแปลว่ า, าถึงพร้อมด้วยคุณค่าด้วยสิ่งที่มีคุณและมีค่านั่นแหละตัวที่เราประสงค <c oughs> ์เราประสงค์คุณสมบัติสมบัตินมันแปลว่าถึงพร้อมหรือครบถ้วนมันมีคุณค่าครบถ้วนอยู่ที่สิ่งใด คือใดก็จกว่ามันมีคุณสมบัติที่น่าสนใจและเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพนับถือบูชาเช่นจะบูชาใครสักคนหนึ่งน้อยมากสูงต่ำอะไรก็ตามมันอาศัยสิ่งที่เรียกว่าคุณสมบัติที่เขามี แต่ถึงอย่างไงก็ดีตคลานี้มันก็มีทางที่หลงได้แต่มันโง่ไปมันก็หลงได้ือสับเปลี่ยนกันจะได้เพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าคุณสมบัตินั้นมันมีทั้งอย่างลึกๆและตื้นๆมันทำให้เข้าใจผิดได้น่าจะต้องระวังให้ดี ก็ทั้งว่าคนคนหนึ่งอาจจะมีคุณสมบัติหลายอย่างก็ได้อย่างเดียวก็ได้หลายอย่างก็ได้วัตถุสิ่งของก็เหมือนกันนะอย่างอย่างหนึ่งนี่มันมีคุณสมบัติเพียงอย่างเดียวหรือหลายๆอย่างก็ได้ดูเอาเองก็แล้วกันยิงมีหลายๆอย่า ง, งก็ยิ่งมีมีมีค่าหรือมี โอกาสที่จะใช้เป็นประโยชน์นั้นมากนี่แหละเราจงขัาใจไอ้คำพูดที่เราใช้พูดเพื่อกันอยู่ให้ถูกต้องแล้วเราก็อาจจะรวบรวมไอ้คุณค่าแห่งชีวิตมาได้อย่างเป็นที่น่าพอใจคือมันทั้งมากและทั้งถูกต้อง เรื่องนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะบางทีมันตังมากมายแต่มันเ ล, และแคลนนั่นคือมันไม่ถูกต้องมันต้องถูกต้องหาใช่ก่อนแล้วมันจึงมีเพิ่มให้มากขึ้นมากขึ้นคุณสมบัติของมนุษย์มันก็อยู่ที่ความถูกต้องแล้วก็มากพอมันมีมากพอเ่อยคุณค่าแห่งชีวิตมันก็ต้องเป็นอย่างนี้มีความถูกต้อง ออที่ว่าถูกต้องถูกต้องนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะถูกต้องของคุณโง่ก็เป็นไปอย่างถูกต้องของคนฉลาดก็เป็นไปอย่างอถูกต้องของอันธพาลเลวร้ายพวกอ ธ, ธิหกรทั้งหลายก็เป็นไปอยางของบุรุษบัณฑิตสัตตบุรุษพระอริยเจ้ามันก็เป็นไปอย่างค แม้แต่ว่าในคนธรรมดาด้วยกันนี่ของเด็กๆมันก็เป็นตัวอย่างของผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างของคุณเฒ่าอผู้แก่ก็ไปอีกอย่างเด็กๆเขาได้กินได้เล่นให้พอแล้วมันก็ถูกท่องแล้วก็พอของเขาแล้วผู้ใหญ่ไม่ต้องการมากกว่านั้นต้องการความมั่นคงอะไรมากไปกว่านั้น ผู้เฒ่าผูา้แก่ก็ต้องการบุญต้องการกุศลมาทำความพอใจชื่นใจให้สำหรับจะใส่ข้างลงไว้นั้นะ <c oughs> มันก็มีความถูกต้องไม่เหมือนกัน <c oughs> ถ้าว่าถูกต้องถูกต้องนี่มีปัญหา <c oughs> ถึงจะเกิดเป็น เงื่อนงำสำหรับการค้นคว้าศึกษากันเป็นการใหญ่ก็มีวิชาค้นคว้าหาความถูกต้องเรียกว่า逻辑บ้างเรียกว่าเป็นลัตเตอี่บ้างมันหลายๆาอย่างต่างๆแจ่เผื่อแจ่ฟุงซ่านแล้วไม่ค่อยจะสําเร็จประโยชน์โดยเหตุผลคำนวณกันอย่างนั้นไม่ค่อยสําเร็จประโยชน์ ขอเอาความถูกต้องตรงตรงจริงๆเห็นได้ชัดเจนง่ายๆตามหลักธรรมะดีกว่าคือถ้ามันถูกต้องมันก็ต้องมีประโยชน์ไม่มีโทษแก่ทุกฝ่ายนี่เราไม่เอาอย่างอื่นไม่เอาเหตุผลอย่างอื่นไม่เอาอย่างลอดจิ๊กไม่เอาอย่างเป็ลัทฟรีหรืออะไรอื่นอีกมากมากเอาอย่างว่าธรรมดาธรรมชาติธรรมดา ในทางศาสนาถ้ามันไม่ให้โทษในมันมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายก็เรียกว่าความถูกต้องเราจงแสวงหาความถูกต้องกันในลักษณะอย่างนี้นทีนี่เรื่องปริมาณนั่นก็ให้มันมากพอจะมันสมควรแก่ความรอดปัญหามันมีอยู่มากในชีวิตนี้ ให้ความถูกต้องมันก็ก้งมีอีย่างพอสมกันถึงมากพอมันก็มีความถูกต้องอันมากพอชีวิตนี้มันก็จะหมดปัญหา <c oughs> นี่เรียกว่าคุณค่าว่าคุณว่าค่าว่าคุณสมบัติสำหรับจะใช้เป็นหลักเกณฑ์สาหรับ กำหนดเพื <th <th Hence, ่อศึกษาเพื่อแสวงหาเพื่อประพฤติปฏิบัติอในกตธรรมที่มาดูสิ่งถัดไปก็คือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตก็มีว่าว่าคุณค่าแห่งชีวิตนั่นก็มาชีวิตชีวิตนี้ก็เหมือนกันแหละมันมีความหมาย เรามันยังเป็นหลายชั้นสลับซับซ้อนอยู่เป็นหลายชั้นยากที่จะเข้าใจได้บางคนก็อวดดีพอขาใจชีวิตที่จริงมันยังเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจอถ้าไม่ได้ผ่านไปแล้วไม่เข้าใจจะผิดหรือจะถูกก็ตามถ้าไม่ได้ผ่านไปแล้วมันยังไม่เข้าใจ มันต้องเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วในตัวชีวิตที่นี่ไอ้คำว่าชีวิตนี่มันก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆคำพูดนะมันก็เหมือนกับคำอื่นๆเลยมันมีความหมายเป็นชั้นๆด้วยเหมือนกันชีวิตในแง่ของวัตถุหรือร่างกายทางวัดทางร่างกายทางวัตถุคือสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับร่างกาย วัตถุต่างๆประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายนี่ชีวิตในแง่ของร่างกายนี่มันก็มีอในแง่ของจิตใจคือจิตจ ต, ตัวจิตนี่ก็มียังมีในแง่ถึงลึกตรงไปออกไปทางสติปัญญาที่นี่เรามาันจะเรียกกันว่าทางวิญญาณที่อื่นเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้ เพาเขาใช้ความหมายจํากัดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเสียแต่เราจะใช้มันสามความหมายว่าทางร่างกายนี่อย่างหนึ่งแล้วทางจิตโดยเฉพาะนี่อย่างหนึ่งแล้วก็ทางวิญญาณคือความรู้แจ้งทางสติปัญญาซึ่งเป็นใน ส, สมบัติของจิตนั่นอีกทีหนึ่งใช่ตัวเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าจิตไหม ดูกันในทางวัตถุทางกายนี่ป ก, ก็ได้วัตถุหลายอย่างเช่นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมธาตุอะไรต่างๆเหล่านี้มีลักษณะของวัตถุประกอบกันขึ้นแล้วก็เป็นเซลเซลเล็กๆยังไม่เคยจะมีความหมายอะไรมันก็เป็นคล้ายๆกับวัตถุแต่มันมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ <c oughs> เป็นเรื่องทางร่างกายกลุ่มแห่งเซล์ ประกอบกันขึ้นเป็นส่วนอแห่งร่างกายทุกๆส่วนแห่งร่างกายประกอบกันข่าวแล้วมันก็เป็นส่วนแห่งร่างกายี่พวกหมอพวกที่จะเรียนเรื่องนั้นก็คงจะเข้าใจได้ดีนในเรื่องอย่างนี้ก็เ <c oughs> ป็นด้วเองว่ามันเป็นชีวิตในแง่หนึ่งคือในแง่ของร่างกายทางวิทยาศรราสตร์นี่ก็ถือว่า ถ้าเยื่อศูนย์กลางของเซลแต่ละเซลยังมีโทโตโรตีนซึ่งยังสดดีอยู่เรียกมันมีชีวิตเนี่ยเซลนั้นมันมีนิวเคลียสที่ยังมีชีวิตแต่ถ้า โ, โ, โปรตีนนั้นมันสูญเสียไปอนไรไปแล้วมันก็ไม่มีชีวิตแต่ละเซลไม่มีชีวิตมันก็คือตายในแง่ของร่างกายในแง่สองชีวิต เราก็รู้จักมันไว้รักษาสร้างสรรอะไรก็ตามให้มันยังคงมีชีวิตแล้วก็ถูกต้องแล้วก็เพียงพอในชีวิตในทางร่างกายก็พสแสวงหาความรู้ในส่วนนั้นในแง่นั้นทําให้มันถูกต้องให้มันมีคุณค่าหรือคุณสมบัติตรงตามที่เราประสงค์ ก็เรียกได้ว่าเรามีคุณสมบัติทางกายเหมาะสม <c oughs> จะเป็นเรื่องบำรุงรักษาเรื่องอันมาใหม่เรื่องอะไรก็ทำให้ร่างกายมันสบายแข็งแรงสามารถมีชีวิตทางกายกระหมดปัญหาไปที่ชีวิตทางจิตทางจิตโดยเฉพาะจิตนี่คือสิ่งที่คิด คิดได้รู้สึกได้ตามธรรมชาติจิตมันคิดมันรู้สึกมันมีความรู้สึกที่ดิ้นรนที่จะให้ข้าวหน้าที่จะให้มากให้สูงขึ้นไปนี่เป็นเรื่องของจิตมันล้วนมันมีระบบของมันอย่างตายตัวที่ว่าจะต้องเป็นปกติปกติ ถ้าผิดปกติมันก็เรียกว่าบ้ามันก็ใช้ไม่ได้มันยังถูกต้องอยู่ถูกต้องอย่างดีถูกต้องอย่างที่จะมีประโยชน์แล้วก็มีคุณสมบัติในทางจิตถูกต้องไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบานจิต ก็จะมีจิตที่สามารถคิดนึกอะไรได้ดีคิดนึกอะไรได้ดีเท่านี้ก็พอที่ทางวิญญาณทางวิญญาณหมายความว่าสมบัติของจิตสติปัญญาความรู้ความเจนจัดสารพัดขึ้นไปเช่นในความเชื่อความถือเป็นหลักเกนต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องทางวิญญาณ คือจะมีสติปัญญาที่ถูกต้องมาจากความรู้ที่ถูกต้องยึดถือไว้เป็นหลักเกณฑ์ท่านเราปฏิบัติให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ก็เรียกว่าเป็นทางฝ่ายวิญญาณบางคนมีจิตกปกติแต่โงโมก็ได้นะพามันขาดสมบัติทางวิญญาณ <c oughs> บางคนจิตไม่เคยจะดีนักแต่แต่ว่ามีสติปัญญาเหลืออยู่ก็มี มันเป็นคนละอย่างคนละอย่างรวมกันแล้วมันจึงจะสมบูรณ์ทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องท้งวิญญาณก็ถูกต้องแล้วก็มีชีวิตที่สมบูรณ์นั่นแหละจะมีกันได้อย่างไรก็ควรจะได้ศึกษากันให้ถึงที่สุดให้ถึงที่สุด ทีนี้มันดูให้ดีว่ามันยังมีส่วนที่เรียกกันง่ายๆว่าดิบหรือสุกมันข้าวสารดิบหุงให้สุกก็กลายเป็นข้าวสุกนี่มันยังมีดิบและมีสุกร่างกายใจิตใจสติปัญญาที่ยังไม่ได้พัฒนานะมันก็ยังดิบ คนไม่รู้จักก็จะขวดดีก็ได้จึงทั้งที่มีอะไรดิบๆยังใช้ประโยชน์ไม่ได้มันต้องมีการพัฒนาให้มันสุกให้มันพร้อมที่จะใช้ประโยชน์นี่คือความจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้ในทางการพัฒนาชีวิต ให้มันถึงขนาดที่จะสำเร็จประโยชน์ได้จริงที <c oughs> งนี้ก็มาดูว่าไอ้ธรรมชาติของชีวิตนี่มันมีกันอย่างไรแน่มันเป็นของดิบแต่ว่าพัฒนาได้คุณก็ดูไ้พวกวัตถุดิบวัตถุดิบ ผ่านโรงงานอุตสาหกรรมไปแล้วก็ออกมาเป็นวัตถุสูกมันก็เลื่อนกระเป๋าท่องคุณเป็นครักไม่เคยทันเห็นไหมถ้ามันยังเป็นวัตถุดิวอยู่มันก็ไม่มีน้ำหนักหรือความหมายอะไรแต่สําเร็จรูปออกมาเป็นวัตถุที่ล่อใจล่อความอยากของคนทั้งหลายแล้วมันก็ซื้อขายกันใหญ่นี่ เรื่องอุตสาหกรรมมันกำลังจะทําโลกให้วุ่นวายวุ่นวายในที่สุดถ้าไม่รู้จักความถูกต้องและเพียงพอต้องรู้จักความถูกต้องและเพียงพอชีวิตนี้ก็เหมือนกันถ้ายังเด็กมันก็ทําอะไรได้น้อยมากถ้ามันสุกมันก็ดีมันจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทําให้มันพัฒนาพัฒนาะทําที่จะพัฒนาได้อย่างไร เร <c oughs> ความจริงมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันอยู่ใครจะมีความรู้ทางการพัฒนาทางกายก็พวกหมอธรรมด้าทางจิตก็ผู้รอบรู้ทางจิตแต่ทางสติปัญญาเราต้องอาศัยบุคคลพิเศษสูงสุดคือเช่นพระพุทธเจ้า อีกทางหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ถูกสมมติหรือถูกเรียกกันว่าเป็นหมอทางวิญญาณทางสติปัญญาคำนี้ก็นียังพูดกันอยู่ในหมู่สาวกหมู่สงสาว ก, ห ม, าวกมหาการุณิโกสัทธาสัพพะโลกะจิสัตตะภาษาสราของขพระพเจ้ามีมหากรุณา เป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งพวงโรคนี้หมายถึงโรคทางจิตชั <c oughs> ้นสูงคือทางวิญญาณไม่ใช่โรคทางจิตที่ไปโรงพยาบาลไปสาสตร์โรคจิตไม่ใช่มันเป็นโรคทางสติปัญญาที่ทำให้เกิดความเห็นผิดเข้าใจผิดเป็นกระทั่งเห็นกงจับเป็นดอก บ, บวัว ทำลายตัวเองอยู่ก็ไม่รู้ไม่รู้สึกนี่ก็เรียกว่าโรคทางวิญญาณทางสติปัญญาเราก็ต้องการหมอทางร่างกายนี่อย่างหนึ่งหมอทางจิตโดยเฉพาะนี่อย่างหนึ่งแล้วก็หมอทางสติปัญญาทางวิญญาณนี่อย่างหนึ่ง ถ้าแสวงหาได้ครบทั้งสามอย่างมันก็บริบูรณ์มันก็น่าเดิมใส <c oughs> มันเกี่ยวกับชีวิตที่จะพัฒนาพัฒนาเยี ย, ายารักษาปรับปรุงระบบธรรมเสร็จแล้วมันก็มีผลเต็มที่ ตามที่มันควรจะมีได้ตามที่ธรรมชาติกำหนดไว้ที่จริงธรรมชาติก็กำหนดไว้สูงมากนะแต่เราใช้ไม่ไดเ้เต็มขนาดคือไม่รู้เท่าจะสักครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้ม้นง <c oughs> ถ้าพัฒนาชีวิตได้จริงแล้วมันก็เป็นชีวิตที่ไม่มีปัญหาถ้า คุณยังมีปัญหายุ่งยากลําบากจิตใจเป็นทุกข์อะไอยู่ก็ยังไม่ใช่ถึงที่สุดี่ทยังไม่ไม่หมดปัญหาแห่งชีวิตถ้าว่าพัฒนาได้ถึงที่สุดมันเป็นชีวิตที่หมดปัญหาไม่มีสิ่งรบกวนมันก็เย็นเย็นเย็นใช้คําว่าเย็นคือนิพพานเ <c oughs> ข้าใจคาว่านิพพานนิพพานกันเสียให้ถูกต้อง ซ่อนกันผิดๆมาแต่เด็กดําบันแล้วในประเทศไทยเรานี่แปลว่านิพานแปลว่าตายมันโง่ที่สุดนะตายจะไปทําอะไรจะไปเป็นสมบัติอะไรมันไม่ใช่ตายแปลว่ามันเป็นชีวิตที่ประเสริฐมันเป็นชีวิตที่เย็นคำว่านิพานนี่แปลว่าความดับแห่งความร้อนการดับแห่งความร้อนมันไม่แปลว่าความตาย มันจะไปมีชีวิตมากขึ้นถ้ามีความร้อนมันมีชีวิตน้อยมันเย็นมันมีชีวิตมากนี่พ่านแปลว่าเย็นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาในเฟสเตอร์ปิดดอกทั้งหมดน่ะถ้าอะไรไปค้นตรงไหนนีพผ่านแปลว่าตายไม่มีแต่คนบ้ามาสอนกันว่าอะไรก็ไม่รู้ว่านิ่ผานแปลว่าตาย <c oughs> นั่นแปลว่าเย็นเย็นนึงหมดความร้อนภาษาที่เหมาะที่สุดเออ มันก็คือทําให้มันเย็นเป็นเรื่องของนิพพานไม่ใช่ทาให้มันตายภาษาฝรัร่งเราบอกพวกฝรั่งว่าเป็นคําสําคัญอยู่คําหนึ่งที่คุณจะต้องเข้าใจดีๆคือคําว่า quench เค qu วนช์นัน่นแหละคำนั้นแหละเหมาะที่สุดเพราะมันจะเป็นคําแปลของคําว่านิพพานคือทําให้มันหยุดทำให้มันสงบทําให้าระงับทําให้มันหมดปัญหา เนี่ยทำใหหมดปัญหานี่ยนะคือเป็นชีวิตชนิดที่สูงสุดเนี่ยคุณค่าแห่งชีวิตมันจะไปถึงนั่นกันหรือไม่บางคนไม่รู้จักเรื่องนิพพานมันก็ไม่เคยหวังเมื่อได้ยินว่านิพพานคือตายตายแล้วมันก็สันหัวเลยว่าชีวิตที่ถึงที่สุดเป็นนิพพานนั้นมันเย็นเย็น ม่มีความรอดไม่มีปัญหาแต่ไม่ใช่เย็นชนิดใส่น้ำแข็งมันเย็นในความหมายทางสติปัญญาไม่ต้องใส่น้ำแข็งล้ามันเย็นกว่าใส่น้ำแขง <c oughs> พูดกันง่ายๆก็ว่าเป็นชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของ พวกฝรั่งที่เขามาที่นี่กันเป็นประจําเราพูดคํำนี้เขายึดถือเป็นหลักแล้วเขาก็พอดใจต้องการชีวิตเอที่ไม่กัดเจ้าของชีวิตที่ไม่ได้พัฒนาให้ถึงความสมบูรณ์แห่งชีวิตเนี่ยมันกัดเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวความรักกัดเดี๋ยวความโกรธกัดเดี๋ยวความเกลียดกัด เดี๋ยวความกลัวกัดเดี๋ยวความตื่นเต้นดังนั้นอย่างนี้กัดเดี๋ยวความวิตกกังวลข้างหน้ากัดเดี๋ยวอะไรอาวรข้างหลังกัดเดี๋ยวอิจฉาริสยากัดเดี๋ยวความหวงกัดเดี๋ยวความหึงกัดเป็นบ้าฆ่าตัวตายหรืฆ่าผู้อื่นตายกันมามากนักหนาแล้วเนี่ย ชีวิตมันกัดเจ้าของถ้าชีวิตไม่กัดเจ้าของนั่นคือชีวิตที่ถึงนิพพานหมดปัญหาที่สุดของชีวิตเราจะต้องการถึงนั่นกันหรือไม่กลับไปคิดดูเองแต่ถ้าใช้คำว่าชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของนั่โดูจะใช้ได้ทุกระดับคือมันไม่กัดไม่กัดไปตามระดับที่มันมีอยู่ทุกๆุกระดับ ในความรักนี่ถ้าจัดการะไม่มันกมันไม่ถูกมันกัดเจ้าของหรือมันเผลอล่นยิ่งกว่าไฟทำโกรธก็เหมือนกันคนโง่มันก็โกรธคนไม่โง่มันก็ไม่ต้องโกรธจะไม่โกรธมันทำํำไมจัดการไปตามที่ควรจะจัดไปแล้วกันไม่ต้องไปโกรธให้เสียวเวลาไปโกรธก็ยิ่งขาดทุนตัวเองผู้ถูกโกรธมันยังไม่ไ้รู้สึกอะไรคนโกรธเกือจะเป็นบ้าอยู่แล้ว มันเกลียดกันเมือนกันนะจะต้องไปเกลียดมันทํำไยมันก็ธรรมชาติของมันอย่างในความกลัวก็คือความกลัวชนิดหนึ่งมันถูกสอนให้กลัวหรือว่ามันกลัวโดยธรรมชาติแตยานก็ก็มีมันไม่ต้องกลัวจะจัดการอย่างไรก็จัดไปสิความตื่นเต้นนี่เหมือนกันมันต้องหามาสิ่งที่มาสิ่งที่มายุยยุยให้ตื่นเต้น เด็กวัยรุ่นของเราจะเป็นบ้ากันหมดแล้วเขาพอใจความตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างนั้นอย่างนี้ถึงคนโตๆก็เหมือนกันคนแก่คนท่าวยังชอบดูมวยชอบดูกีฬาชอบดูกายกรรมปรลาดปะลาดนี่จะสร้างความตื่นเต้นด้วยความโง่ถ้ายังมีความโง่อยู่มันต้องชอบความตื่นเต้นหรือชอบสิ่งที่ทำให้เกิดความตื่นเต้น ยี่มันกัดมันทําให้มีปัญหายุ่งยากลําบากแล้วมันก็กัดอะไรอาวร์ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ววีตกกังวลถึงสิ่งที่ยังไม่มามันก็เสียเวลาเปล่าๆทาสิ่งที่ควรทําเฉพาะหน้าดีถึงตู่ก็แล้วกันไม่สร้างอิจฉาริษยาใครเพราะอิจฉาเขาเราก็เจ็บปวดก่อนเขายังไม่รู้ก็ได้ ความหวงังความหึงนี่ก็เหมือนกันแหละมันเป็นความโง่เป็นเรื่องของความโง่ชีวิตที่ไม่มีอะไรตัดนั่นแหละ ย, ยอดสุดอของชีวิตเมื่อพูดถึงคุณค่าแห่งชีวิตมันก็ต้องมาถึงส่วนนี้ถึงระดับนี้มันจะเรียกว่าเป็นคุณค่าที่แท้จริงที่นี่ก็ดูกันต่ไปว่าชีวิตชนิดนี้ มันจะได้มาอย่างไรมันจะได้มาอย่างไรมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร <c oughs> มันก็เป็นเรื่องที่ทำหน้าที่ให้ถูกต้องมาทำหน้าที่ให้ถูกต้องคำนี้พูดก็พูดเล่น <c oughs> ควาว่า หน้าที่มันเป็นภาษาไทยภาษาบาลีเรียกว่าธรรมะธรรมะธรรมะนั่นแปลว่าหน้าที่แต่พวกลูกเด็กเดกเรียนมาในโรงเรียนนั่นครูเขาสอนผิดๆ <Okay. S 1> ธรรมะแปลว่าคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมนึกดูดีเมื่อเราเรียนในโรงเรียนครูเขาบอกว่าธรรมะคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า นี่มันสอนกันมาผิดผิดแคบแคบไปโดยไม่รู้สึกก็้วตามตามกันมาคำว่าธรรมะธรรมะในภาษาอินเดียนั่นใช่ร่วมกันไม่ใช่เฉพาะในพุทธศาสนาแลัวที่อื่นศาสนาอื่นครูวา่าอาจารย์คณนอื่นก็สอนธรรมะทั้งนั้นสอนธรรมะทั้งนั้นะไม่ใช่เฉพาะคําสอนของพระพุทธเจ้า เสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะนั้นไม่ใช่ตัวคําสอนมันเป็น <c oughs> ตัวหน้าที่เรื่องหน้าที่ที่จะต้องรู้เพื่อดับทุกข์หน้าที่มันดับทุกข์ทั้งธรรมะธรรมะหรือหน้าที่มันก็เรื่องดับทุกข์พูดเป็นภาษาไทยก็ว่าหน้าที่พูดเป็นภาษาบาลีก็ว่าธรรมะ ธรรมะกับสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั้นสิ่งเดียวกันแท้คำเดียวกันแท้และแปลว่าจะใช้ภาษาอะไรแล้วก็ธรรมะธรรมะตัวหนังสือนั้นรากของศับรูตรรากของศัพท์แปลว่ายกขึ้นว่ายกขึ้นว่ายกขึ้นว่าอย่าให้มลัดตกลงไปนี่คําว่าธรรมะในภาษาอังกภาษาไทยว่าหน้าที่หน้าที่ก็เหมือนกันแหละเรามีนหน้าที่ดี ใน ห, หน้าที่มันช่ ย, ยกขึ้นไหวเมื่อพระตกลงไปหาความวินาศผจญหายหรือความทุกข์นในสิ่งที่จะ ย, ยกชีวิตขึ้นไวหวปลอดภัยจากความทุกข์เร่องสิ่งนั้นคือหน้าที่ในภาษาไทยหรือบาลอหรือธรรมะในภาษาบาลีเราจึงรู้จักว่าสิ่งที่จะช่วยอทําให้ชีวิตนี้หมดปัญหา ถ้าถึงความอความหมายคุณค่าอันสูงสุดนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือหน้าที่แต่มันมีหลายชั้นหลายระดับหน้าที่ชั้น ต, นต้นๆก็มีถ้ามันไปถึงที่สุดแล้วมันยกขึ้นหมดเลยยกขึ้นหมดเอจากปัญหาทั้งกวงเรียกว่าบรรลุ น, นิพพานชีวิตนี้เย็นชีวิตนี้ไม่กัดเจ้าของ โดยประการใดๆนี่เรียกว่าเอาประสบความสาเร็จในหน้าที่เมื่อจะต้องไม่บกพร่องในหน้าที่ทำให้ชีวิตมีหน้าที่หรือทำให้ชีวิตกับหน้าที่นั่นเป็นสิ่งเดียวกันเสีย มันถ้าเรียกว่าชีวิตและก็หมายถึงมันมีหน้าที่ครบถ้วนอยู่ในตัวชีวิตอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันไงอย่างชีวิตเย็นถึงที่สุดแห่งคุณค่าก็ทำให้มันเป็นหน้าที่เป็นตัวหน้าที่หน้าที่ใดๆไม่มีผิดพลาดไม่บกพร่องถูกต้องไปหมดก็เรียกว่ามันเป็นชีวิตที่ถูกต้องมันก็เย็นเป็นชีวิตเย็น ดูเองหน้าที่บริหารกายบริหารจิตบริหารสติปัญญาหน้าที่ต่อตนเองจะตั้งทำเพื่อตนเองหน้าที่ที่จะตั้งทำเพื่อผู้อื่นเพราะว่าเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้แลว้วหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อผูกพันกันระหว่างเรากับผู้อื่นพระพุทธเจ้าท่านลัสไว้ดีแล้วจำไว้เป็นหลัก ดีกว่าง่ายกว่าที่จะมาคิดเอาเองหน้าที่เพื่อตนเองอย่างหนึ่งหน้าที่เพื่อผู้อื่นอย่างหนึ่งหน้าที่ที่มันผูกพันกันอย่างที่มันจะแยกจากกันไม่ได้นี่อย่างหนึ่งเป็นสามหน้าที่อยู่อย่างนี้กายทาให้ครบถ้วนครบท้วนที่นี้ที่มันเป็นหน้าที่ผูกพันกันนั่นแหละสาคัญมาก มันจะต้องมองดูให้กว้างในขั้นมูลฐานเลยว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เข า, าอยู่คนเดียวในโลกมันก็ตายมันก็ตายโดยไม่ต้องสงสัยต้องมีผู้อยู่ด้วยกันถ้ามีผู้อยู่ด้วยกั น, นก็ทำงานร่วมกนมันก็ทำงานตามหน้าที่ร่วมกันในลักษณะที่เรียกกันว่าสหกรณ์ ทำนี้ดีที่สุดประเสริฐที่สุดแต่คนเอามาใช้นิดเดียวถ้ายอย่างโง่เขลาซะด้วยมันจะมีสากลแต่การหาประโยชน์มาหลาอเลี้ยงกิเลสนั้นมันทํากันเพียงเท่านั้นสากลมันไม่ได้ทาสากลเพื่อสันติภาพมันเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเห็นแก่กระเป๋าของตัวจะหามาใส่กระเป๋าของตัวถ้าว่าร่วมกันทําเป็นสหกลได้ก็ดีก็ทําสากลมันทำได้เพียงเท่านั้น แต่และความเห็นแก่ตัวมันยังมีอยู่มันก็ยังเอาเปรียบกดโกงกันในหมู่สหกรณ์สหก่อนจึงเลิมเลิกไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันสหกรณ์ <c oughs> แล้วเพราะความเห็นแก่ตัวของสนาชิกถ้ามันเห็นประโยชน์ของสหกรณ์มันก็ไม่โกง <c oughs> มันก็จะเริ่นรุ่งเรือง แต่แอย่าให้มันหยุดอยู่เพียงแค่เรื่องเนื้อหนังเรื่องร่างกายขอมันสูงขึ้นไปเรื่องทางจิตใจทางวิญญาณดับทุกโดยประการทั้งปวงให้เป็นสหกรณ์ที่สูงสุดนี่ยจะต้องสนใจให้ดีข้อนี้มันมีความลับอยู่ว่าความรอดเนี่ยมันมีอยู่เพราะสหกรณ์ ก็ดูที the the ่ร่างกายเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันเป็นสหกรณ์ของอะไรไอ้เซลล์ทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นชีวิตนี่ไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้ามันต้องสหกรณ์มันทํางานร่วมกันเป็นสหกรณ์มันยึ่งจะเกิดส่วนประกอบของร่างกายที่ถูกต้องแล้วส่วนประกอบของร่างกายกี่ส่วนกี่ส่วนกี่ส่วนมันก็ต้องสหกรณ์มันแยกกันไม่ได้ ผมขนและพันหนังกระดูกเอ็นเนื้ออะไรก็ตามมันต้องสหกรณ์ตับปอดไส้พุงหัวใจอันก็ต้องสหกรณ์มันจึงเป็นชีวิตอยู่ได้ปราศจากสาหกรณ์นี่แล้วก็คือตายนันมันจึงดีกว่าคนที่มันเห็นแก่ตัวมันไม่นิยมสหกรณ์มันจะเอาแต่เรื่องของตัวกูเรื่องของกูมันไม่เคยจะยอมสหกรณ์มันจเจริญไม่ได้ แต่ชีวิตแท้มันต้องการสหกรณ์ธรรมชาติแท้มันต้องการสหกรณ์โลกทั้งโลกนี่ต้องครบทุกอย่างร่วมกันนัเป็นสหกรณ์ใหญ่มีอะไรอะไรในโลกครบแล้วโลกนี้จึงจะเป็นโลกอยู่ได้เพ่งก็เป็นโลกแห่งสหกรณ์แต่มนุษย์ผูู้เห็นแก่ตัวมันไม่คิดอย่างนั้นมึงก็มึงกูก็กูมันก็เ ก, ก, ก, กาะกยกันแต่ประโยชน์ของตนเนี่ย ความเห็นแก่ตัวกำลังจะทำลายโลกให้วินาศคนมั่งมีก็เห็นแก่ตัวคนยากจนก็เห็นแก่ตัวคิดดีคนกลางๆไม่มั่งมีไม่ยากจนก็เห็นแก่ตัวและอะไรมันจะเหลือเล่าจะเหลืออยู่ที่ตรงไหนที่ไม่เห็นแก่ตัวพวกนายทุนก็เห็นแก่ตัวพวกชนกามาชีพก็เห็นแก่ตัว ควกที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็เห็นแก่ตัวแต่ทั้งโลกมันก็เห็นแก่ตัวมันก็ชิงกันกอบโวยมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องมันก็สร้างปัญหาต่างๆนานาขึ้นมาเต็นไปหมดปัญหาที่กำลังเผชิญกันอยู่อย่างนักเรื่องมลภาวะก็ดีเรื่อง ยาเสพติดก็ดีเรื่องโรคบ้าบ้าบออะไร้องเขาเวลานี้ก็ดีมากมายสารพัดอย่างมันลุ่นแต่มาจากความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวไม่มีสหกรณ์ <c oughs> ถ้ามีสหกรณ์กันในโลกรักใครกันดีแล้วบูลภาว่าไม่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยคอยไปไขเครื่อนเธอว่าความรอดนั้นแท้จริงมันอยู่ที่ความมีสหกรณ์ที่ถูกต้อง ชีวิตนี้มันเดี่ยวไม่ได้มันต้องอยู่ร่วมกันมันจึงจะเป็นโลกอยู่ได้แม้แต่ต้นไม้ต้นลายในโลกนี้ถ้ามีต้นเดี้ยงก็อยู่ไม่ได้มันอยู่กันเป็นเต็มไปทั้งโลกไงมันจึงจะเป็นโลกอยู่ได้มันเป็นสหกรณ์กาเห็นแก่ผู้อื่นนี่แหละเป็นคุณธรรมที่นิยมว่าเป็นหลักการรักผู้อื่นน่แหละจะช่วยให้รอด ถ้ามันเห็นไก่ตัวนะพวกหมอการเป็พ่อค้าหมดพวกครูบาอาจารย์การพ่อค้าหมดครูพิ พ, พ, พ, jog, พากษาตุลาการก็กลายเป็นพ่อค้าหมดแล้วโลกมันจะมีอะไรเหลื อ, อคุณลองคิดดูถ้าหมอทํางานอย่างพ่อค้ากอบกวยครูบาอาจารย์ทํางานอย่างพ่อค้ากอโกยครูพิพากษาพิลาการทํา ง, งานอย่างพอ่อพ า, าก่อค้ากอบกวยอะไรมันจะเหลืออยู่ล่ะมันก็คือความวินาศนั่นทีมันจะเหลืออยู่ ก็อยนึกถึงความเป็นสหกรณ์ความมีสหกรณ์ที่มันถูกต้องมันมาจากความไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวที่เราจัดให้ภายในร่างกายของเราเป็นสหกรณ์ที่ถูกต้องในส่วนร่างกาย แลให้มันสหกรณ์กันอย่างถูกต้องกับส่วนที่เป็นจิตแลให้มันสหกรณ์กันถูกต้องกับส่วนที่เป็นสติปัญญาหรือวิญญาณให้ทางกายทางจิตทางวิญญาณสามอย่างนี้สหกรณ์กันให้ดีและชีวิตนี้ก็จะมีคุณค่าสูงสุด มีคุณค่าแห่งชีวิตมีคุณสมบัติแห่งชีวิตอันสูงสุดเพราะว่าในระบบชีวิตนี้มันสหกรณกันดีทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณ <c oughs> อา้าวทีนี้เลืออยู่เวลาเลืออยู่หน่อยก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรคอุปสรรคที่ทำให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ มันก็คือความเห็นแก่ตัวคำนี้ดูเป็นคำเล็กๆหุดมันก็พูดเล่นง่ายๆเข้าใจได้ง่ายๆไหมเข้าใจยากที่สุดความเห็นแก่ตัวนั้นเรามีโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเรามีนะยากหรือง่ายเราคิดดุ้งพวกเรากาลังมีความเห็นแก่ตัวโดยไม่ได้คิดว่าเรามี น, มนั่นมันยากขนาดนั้น ความเห็นแก่ตัวของเราเองเราบูชานะฮะเรายกย่องเราบูชาไนอะ้สิ่งจะทำความวินาทให้แก่เราหรือแก่โลกให้เรากลับบูชาแล้วเห็นแก่ตัวแล้วมันก็เล่นตลกความเห็นแก่ตัวนี่แทนที่จะมันช่วยทำความเจริญมันกลับทำความวินาท คำพูดนี้มันมีความหมายเฉพาะความเห็นแก่ตัวมันโดยอำนาจของกิเลสถ้าความเคารพตัวนับถือตัวพัฒนาตัวอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของสติปัญญาไม่ใช่กิเลสในความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องของกิเลสคือความโง่ถ้าความพัฒนาตัวสร้างตัวอายกตัวนี่เป็นเรื่องของสติปัญญาเป็นเรื่องของความฉลาด เราวางความเห็นแก่ตัวเป็นคําพูดเฉพาะที่เป็นข่าศึกศัตรูมหาศาลพอเห็นแก่ตัวมันก็ขี้เกียจทํางานงานที่จะได้ผลแก่ตัวแล้วมันกับขี้เกียจทํางาน <c oughs> มันทิ้งงานไปนอนนี <c oughs> ่เพราะมันเห็นแก่ตัวเรากับมันเห็นแก่ตัวทําำให้ขี้เกียจทํางาน คนเห็นแก่ตัวจะหลีกเป็นนอนแล้วก็คอยเอา ป, ประโยชน์คอยแย่งชิงประโยชน์มันคนเห็นแก่ตัวไม่ทําหน้าที่แล้วก็คอยเรียกร้องสิทธิเรียกร้องสิทธิกิเลสบางคนมันต้องการจะเรียกร้องสิทธิโดยไม่ต้องทําหน้าที่สากวันหนึ่งมันจะทำมอบกันทั้งโลกทั้งไม่ทําหน้าที่ท่านงานแต่มันจะเอาประโยชน์นี่ความเห็นแก่ตัวมันทําให้ไม่ไม่ทํางานทําให้ขี้เกียด ออความเห็นแก่ตัวมันทําให้ไม่สามสัคคีเราเรียกร้องความสามัคคีอย่างเรียกร้องกันอยู่ทุกวันนี ran, ้ไม่เหลือเรียกร้องมากที่สุดเรียกร้องความสามัคคีแต่คนเห็นแก่ตัวมันไม่สามัคคีคนเห็นแก่ตัวมันไม่สามัคคีถ้าใจคนสามัคคีมันต้องําจับตามเห็นแก่ตัวนทีคนเห็นแก่ตัวนั่น มันอิจฉาริษยาโนนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตังอิจฉาริษยามันก็จะทําลายผู้อื่นเห็นเขาสวยกว่าเราสักหน่อยก็ไม่ได้มันอิจฉาริษยาเห็นเขารวยกว่าเราสักหน่อยก็ไม่ได้นะมันอิจฉาริษยานี่มันเห็นแก่ตัวนี่ยเป็นขาาศึกอันเลวร้ายในสายทําลายทําลายทําทลายหมดสิ้น มลภาวะทั things, jangan, <H> ้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกเรื่อยเรื่อยเรืยืยพราะพราะความเห็นแก่ตัวมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่ยเรยมีเวทวิทยาเสียหายหมดก็เพราะคนเห็นแก่ตัวรถมันจะชนกันหรมันจะติดแน่นถนนก็เพราะเห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวมันก็รองดองกันไปได้โดยไม่ต้องชนกันโดยเลื่อนกันไปได้เห็นแก่ตัวไปเสียทุกคนทุกแห่งในที่สุดมันก็เป็นว่าเองมันก็ฆ่าตัวตายเอง ไอ้คนฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายนั่นคุณไปดูดีมันเห็นแก่ตัวหลงทางความเห็นแก่ตัวของมันเองอะหลงทางแล้วมันก็ฆ่าตัวเองตายฆ่าลูกฆ่าเมียตายฆ่าผัวตายฆ่านะไรตายความเห็นแก่ตัวนะั่ที่มันฆ่าตัวเองตายนี่ความเห็นแก่ตัวมันหลงทางนั่นคอยระวังเถอะถ้ามีแต่ความเห็นแก่ตัวถึงร้อยเอร์เซนต์มื่อไรโลกนี้ก็ลุกเป็นไฟละวินาศ ไม่ต้องมีอะไรมาทำเมียเห็นแก่ตัวผัวก็ทนไม่ไหวผัวเห็นแก่ตัวเมียก็ทนไม่ไหวพ่อแม่เห็นแก่ตัวลูกก็ชีพหายหมดลูกเห็นแก่ตัวพ่อแม่ก็ตกนรกทั้งเป็นนี่มันไม่มีอะไรดีในเรื่องของความเห็นแก่ตัวนี่คู่ประสาทที่ชีวิตมันพัฒนาไม่ได้ ที่เรามันมีความเห็นแก่ตัวอย่างผิดทางไม่เห็นแก่ตัวอย่างถูกทางไม่ใช่เคารพตัวไม่ใช่บูชาตัวไม่ใช่เชื่อตัวแล้วพัฒนาตัวอย่างนั้นเป็นส่วนถูกต้องเห็นแก่ตัวที่เรียกว่า selfishness s e l f f i s h n s มันทำลายตัวศาสนาทุกศาสนาเลยสอนให้ไม่เห็นแก่ตัวแต่ก็ไม่มีใครปฏิบัต แถมไรต่ตอนนั้นไอ้เจ้าหน้าที่ทางศาสนาแทอเองมากล่าวเห็นแก่ตัวนี่มันหมดมันหมดมันหมดหวังกันที่ตรงนี้เราเป็นทาสของกิเลสเพราะความเห็นแก่ตัวเห็น <remained S 1> แก่ตัวอย่างงูเขลาจึงตกไปเป็นทาสของกิเลสรับใช้กิเลสให้กิเลสมันใสหัวไปหาสิ่งที่สนองกิเลสคุณระวังให้ดี หาสิ่งมาสนองกิเลสเมื่อร้ายนั่นะคือความเห็นแก่ตัวมันใส่หัวไปให้หาสิ่งเหล่านั่นมากแล่วบางทีก็หามากเกินจําเป็นจ น, นผู้อื่นไม่ได้ผู้อื่นขาดแคลนอย่างนี้เป็นาธาตุของกิเลสนิยมเยื่อของกิเลสซึ่งเป็นวัตถุนิยมพอใจในความสุขสนุกสนั้นแต่ในเรื่องวัตถุ ไม่พอใจในความสุขทางสติปัญญาในโลกนี้กำลังหลงวัตถุกำลังบูชาวัตถุซึ่งเป็นเรื่องสนองกิเลสทั้งนั้นเดี๋ยวนี้แหละมันกำลังเป็นปัญหาเรื่องอุตสาหากรรมไม่ระวังแต่มันผลิตออกมาแต่สิ่งสนองกิเลสทั้งนั้นยุคที่ไม่มีอุตสาหากรรมเขาไม่ยุ่งยากลาบากกันอย่างนี้ ถ้ามีอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสนองกิเลสสนองกิเลสแล้วแปลกออกมาแปลกออกมาจนทนไม่ได้จนต้องซื้อ <c oughs> วิทยุเครื่องนี้มีอยู่แล้วถ้าของใหม่ออกมาดีกว่านี้ก็ต้องซื้อใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ <c oughs> มังเป็นเครื่องจักรที่ผลิตศัตรู <c oughs> ของมนุษย์ออกมาคือเหยื่อของกิเลสหรือความเห็นแก่ตัว มัถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ไหวชีวิตมันก็ดิ่งลงไปหาอความวินาศความร้อนความทุกข์ความเป็นปัญหาเป็นเหยื่อของกิเลสเป็นทาสของกิเลสเท่าไรก็สร้างปัญหาชีวิตทำนั้นไม่มีความสมบูรณ์แห่งชีวิตไม่มีความเยอกเย็นแห่งชีวิต ขอให้ระวังกันไว้ถ้าต้องการความเยือกเย็ยนแห่งชีวิตก็อย่าเห็นแก่ตัวจนเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของกิเลสรับใช้กิเลสบูชาวัตถุนิยมส่วนนึ่อุปสรรคที่ทําให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ได้เห็นมันก็อยู่กันที่ตรงนี้ก็อย่ากล่าวมาแล้วต้นว่าจริงเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือหน้าที่ที่ถูกต้อง คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่ ท, ที่ถูกต้องมนุษย์พูดคํานี้มาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดวิวัฒนาการของมนุษย์เป็นมาถึงขั้นที่เรียกว่ารู้จักหน้าที่รู้จักหน้าที่แล้วคําพูดคํานี้มันก็เกิดขึ้นมาในโลกคือคําว่าหน้าที่หน้าที่หน้าที่ เป็นภาษาไทยว่าหน้าที่เป็นภาษาบาลีว่าธรรมะธรรมะแปลว่าหน้าที่สิ่งนั้นคือความถูกต้องของสิ่งที่จะต้องกระทำทำให้ถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีปัญหาจงแสวงหาธรรมะว่าให้มากให้พอมันมีความถูกต้องทุกหน้าที่การงานหน้าที่ที่บ้านเรือนก็ถูกต้องหน้าที่ที่ออฟฟิก็จะถูกต้อง หน้าที่ต่อสังคมทั้งประเทศทั้งโลกก็ถูกต้องหน้าที่ในบ้านเรือนก็คือบริหารชีวิต่าบริโภคอาหารจะ บ, บริโภคบริหารร่างกายอย่างไรให้มันถ้ามันมีแต่ความถูกต้องถูกต้อ ง, องคือมีสติสัมปชัญญะ <c oughs> ให้มันถูกต้องถูกต้องแล้วรู้สึกก็พ่าใจพาใจมันก็มีความสุขทุกวินาทีทุกกระเบียดนิ้วตื่นขึ้นมา อย่าล้างหน้าจะถูฟันก็มีสติสัมปชัญญะทำให้มันถูกต้องและสนใจอยู่กับความถูกต้องมันก็พอใจพอใจพอใ จ, อใจมันก็เป็นสุขเป็นสุขมันก็เป็นสุขตลอดเวลาที่ล้างหน้าและถูฟันหนึ่งไม่เสียเวลาไปหนอยมีความสุขได้ตลอดเวลาที่ล้างหน้าและถูฟันแต่คนโง่มันทำไม่ได้คนโง่มันไม่มีสติสัมปชัญญะ ที่จะล้างหน้าและถูฟันจิตใจมันเลื่อนลอยอยู่ที่ไหนมันโกรธใครอยู่ก็ได้มันด่าใครอยู่ก็ได้มันล้างหน้าถูฟันไปพลางี่มันก็ไม่มีความสุขความพอใจขณะที่ล้างหน้าถูฟันมันจะเข้าไปในห้องน้ำจะถ่ายจาระัสาวะแต่จิตใจมันขุ่นมัวมันไม่มีสติสัมปชัญญะทําให้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องที่สุดเข้าใจที่สุดจนเป็นสุขตลอดเวลาที่ถ่ายจารภบสาวะนี่ คนโง่มันทำไม่ได้เมันไม่มีสติสัมปชัญญะมันมีแต่ความคิดคลุ่งพลานเป็นกิเลสมันเ้ยไปหมด <c oughs> จะมาอาบน้ำก็เถอะมันทําถูกต้องแล้วพอใจเป็นสุขตลอดเวลาที่อาบน้ําำคนโง่มันทําไม่ได้มันโกรธนั่นโกรธนี่มันก็ะพัดกระเสือดอย่างนั้นอย่างนี้จะน้ํามไม่เย็นหรือ <c oughs> ว่ามันจะไปกินอาหารมัน <c oughs> มันก็ไม่มีสติสมัชัญญะมันก็ทําได้แค่เกลีตัณหาเท่านะัจะตักข้าวใส่จานก็หงุดหงิดจะตักข้าวใส่ปากก็หงุดหงิดเขี้ยวกื้นก็หงุดหงิดไม่มีความเยือกเย็นในชีวิตอื <c oughs> ถ้ามันมีธรรมะ ม, มันจะเยือกเย็นตั้งแต่ว่าเข้าไปในห้องอาหารตักข้าวใส่จานตักข้าวใส่ปากเขี้ยวกรึน้นจะเย็นเป็นสุขตลาดเวลาที่กินอาหาร <c oughs> ถ้ามันจะช่วยล่างถ้วยล่างจานกวาดบ้านทูเรือนแทนคนชายจะบ้างก็ได้ก็ยิ่งดีไปทำไปเกิดลองดูเถอะไปช่วยล่างถ้วยล่างจานกวาดบ้านทูเรือนถ้าทำด้วสติสัมปชัญญะสมาธิละมันก็เป็นสุขพอใจพอใจพอใจถูกต้องถูกต้องถูกต้องทำสมาธิล่างถ้วยล่างจานน่ เป็นอารมณ์อยู่ที่ของสกปรปกมันหลุดไปจากถ้วยจากจานกวาดบ้านถูเรือนสมาธิอยู่ที่ปลายไม้กวาดที่ฝุ่นละอองมันติดไปกับปลายไม้กวาดแล้วสูญหายไปก็ถูกต้องพอใจผู้พอใจมันหาความสุขได้แม้แต่แว่าล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนยุคนี่มันมีแต่ความรับใช้กิเลสไอ้สักนิดขัดใจฝุ่น เรวก็ปรดก็ขัดใจแต่กวดไม่ได้ทาไม่ได้ <c oughs> แล้วก็ดา่าไม่ครัวทำอาหารไม่อร่อยบ้างอะไรบ้างมันก็เต็มไปด้วยเรื่องตรงกันข้ามกับความเย็นเป็นความร้อนไม่มีอะไรที่เย็นหรือสิสงบเย็นมีเขาจะจัดการกับเรื่องนี้ทำให้มีความถูกต้องถูกต้องถูกต้องหัวใจถูกต้องหัวใจไปเสียทุกข์ระเบียดนิ้วทุกวินาที ที่บ้านถูกต้องแล้วที่ออฟฟิศที่หน้าที่การงานก็ถูกต้องพอใจทุกกระเวียดนิ้วเป็นที่พอใจของตนเองและผู้อื่น <c oughs> แล้วครบหาสมาคมกับบุตคนที่สองออกไปจากเราเรียกว่าสังคมประพฤติต่อเขาให้ถูกต้อง <c oughs> เบื้องหน้าบิดาบรรดา <c oughs> เบื้องหลังบุตรธนญา <c oughs> เบื้องใา้มิตรหาย ข้างขวาคือว่าอาจารย์ข้างบนผู้บังคับบัญชาข้างล่างผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทำต่อเขาให้ถูกต้องทุกทิศทุกทางอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องทางสังคมถูกต้องที่บ้านที่เรือนถูกต้องที่ออฟฟิศทำงานถูกต้องติการสังคมทั่วไปแล้วนั่นแหะคือความสมบูรณ์แห่งชีวิต <c oughs> คุณค่าแห่งชีวิตมันสมบูรณ์ คุณค่าแห่งชีวิตคุณค่าแห่งชีวิตมันก็มีอยู่ทอนนี้แหละ้วก็สมบูมหาศารครอบ ง, งาจากระวานเลยมัถ้ามีความถูกต้องในเรื่องของชีวิตดังที่กล่าวมาถ้เวลามันก็หมดแล้วขอสรุปในความว่าเราต้องรู้จากความหมายของคำว่าคุณของคำว่าค่าของคว า, คางคว่าคุณค่า ของคำว่าคุณสมบัติของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตนี่ต้องพัฒนาไม่พัฒนาก็ไม่มีคุณค่าอะไรคนง่พัฒนาไม่เป็นและพัฒนาผิดๆจนกลายเป็นความทุกข์เกิดขึ้นมาผู้ฉลาดผู้มีปัญญาพัฒนาถูกต้องให้ชีวิตนี่มันเย็นลงไปเย็นลงไปเย็นลงไปไม่มีปัญหาใดๆเป็นนิพพาน มันจบที่เรื่องเย็นถูงสุดคือนิพพานไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะอย่างนี้สัตว์จะทำเป็นสุนักและแมวก็ทำเป็นเนืหาใส่ปากใส่ทอ้องมันเพื่อแสดงความเป็นมนุษย์มนุษย์สยดธรรมแสดงออกมาด้วยหน้าที่การงานเราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่เราเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ของมนุษย์แสดงความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วเราก็ได้รับประโยชน์ของการเกิดมาไม่เสียทีที่เกิดมาได้มีคุณค่าหรือคุณสมบัติแห่งชีวิตเต็มตามความหมายตามที่ธรรมชาติกำหนดไว้ธรรมชาติกำหนดไว้ให้เรามาพัฒนาเอาเองมาพัฒนาเอาเอง ให้ทุนรอนคือชีวิตมาสำหรับเป็นเดิมพันธ์และก็พัฒนาเอาเองจนถึงที่สุดแห่งคุณค่าของชีวิตหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะสนใจคิดนกใค่ายควรดูเถิดไม่ต้องเชื่อก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ขอสักอย่างนึงว่าเอาไปค่ายควรพินิจพิจารณาดูและในที่สุดท่านก็จะต้องเชื่อตัวเองเชื่อตัวเอง ว่ามันต้องพัฒนามันจะต้องกระทำหน้าที่นี่ถูกต้องคือการเกิดติธรรมการทําหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องธัมมะกับหน้าที่คือสิ่งเดียวกันการทําหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมขอท่านทั้งหลายประสบความสําเร็จในการทําหน้าที่ของตนคือการปฏิบัติธรรมนั้น มีความเจริญงบงามก้าวหน้าในทางของชีวิตจิตใจมีความสุขอยู่ทุกทีพาราตีการเทอขอยุดติการบรรยาย